บันี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของปะหาตระถับธรรมคือธรรมะที่ส่งสอนให้ลดละเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็สงบระ ง, งับไป เป็นการกล่าวถึงความเข้มข้นของกิเลสในระดับต่างๆในระดับที่เรียกว่าเป็นอุปาทานนั้นคือก่อให้เกิดอาการยึดติดในอารมณ์ที่ตนกำหนดตัวหน้าใครปรารถนานาพอใจและในความคิดความเห็นของตนซึ่งขึ้นอยู่กับตัวความคิดเห็นเหล่านั้น ลักษณะาการยึดติดทั้งหลายนั้นสามารถกระจายตัวเองออกไปเป็นการเพิ่มกิเลสหรือเพิ่มทุกข์ได้นานาประการจช่การยึดถือด้วยอำนาจของทิฐิบุคคลก็ให้ความสําคัญแก่ทิฐิคือความเห็นของตนเองแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็เกิดโลภะคืออยากที่จะให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามตนไปด้วย ก็มีคนเห็นตามคล้อยตามก็จะเกิดโลภะต่อไปอาการกจิก็ไหลสู่กระแสของโลภะคือต้องการความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปจะมีความกำนัดเพลิดเพลินยินดีในกลุ่มบุคคลที่คิดเห็นเช่นเดียวกันแล้วจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นว่นลนาลักษณะความคิดเหล่านี้ พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสักการกา a ปริสังนติแลีว่าลาบสักการะจะฆ่าคนชัว่วชดิจิใจของบุคคลที่อาศัยที่ถูกปาทานเป็นต้นนติกาเรากระจายขึ้นไปเรื่อยๆต้องการบริษัทปบริวารความเคารพนับถือลาบสักการะออกมาในด้า น, นต่างๆขึ้นไปโดยลำดับ เทีกิเลสทั้งหลายนั้นแกมีความหลงเป็นฐานแกจะแสดงอาการออกมาอย่างไงก็ตามความหลงแกก็เพิ่มตามไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดหลงหลงในลาบสักการะคือหลงในทิฐินั้นหลงมาแล้วก็หลงในลาบสักการะหลงในปริวารหลงในเกีดยรติยศที่ตนเองได้จากสังคมก็ก็ให้เกิดความประมาท ตลอดถึงพยองลำพองออกมาในลักษณะต่างๆบาปกรรมเป็นนันมากซึ่งเมื่อก่อนไม่มีแต่ก็ต้องมีขึ้นเพราะมีลาศการะมีปริวานมีคนกรรพบถือมีชื่อเสียงเป็นคนที่ได้สถานะในสังคมรานลักษณะความคิดเห็นเหล่านี้เมื่อจะตีกลับอีกไปด้านหนึ่ง คนมีทิฏฐิอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้มีคนอื่นก็คัดค้านมาเห็นด้วยก็จะเกิดโทสะแล้วจะมีการต่อสู้กันทางความคิดที่รุนแรงได้ไปบากคนเหล่านี้ได้บริษัทบริวารมากก็ใช้บริษัทบริวารของตนเองนั่นเองตอบสนองความโกรธของตนก็บริษัทบริวารออกไปข้างหน้า มีการต่อสู้มีการห่ามผันประทุสร้ายกันจวบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นภัยสงครามในที่นี้ขณะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าตัวกลุ่มบุคคลสองกลุ่มคือกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มไม่เห็นด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นกลุ่มที่มีความเห็นคล้อยตาม ทิฐิคือความเห็นของบุคคล น, นั้นได้ลดลงไปตัวเองก็จะเกิดความโศกเพราะความเสื่อมลาบเสื่อมยดถูกตำหนิจีเจียนตัวเองก็ได้รับความทุกข์ใจมันก็ไหลเข้าสู่กลุ่มของโลกธรรมสายที่ไม่น่าปรารถนาแตี๋ีนี้ถ้าหากกบฝ่ายซึ่งไม่เห็นด้วยกับตนแล้วเกิดเห็นด้วยในตอนหลังจิตใจก็จะเปลี่ยนเป็น ความชืมช่นชมยินดีดัานั้นสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามันมีการเกาะยิงกันอยู่ตลอดระหว่างกิเลสหรือเรียกว่าสมุทัยสัตว์กับอาการของความทุกข์ที่ปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆกิเลสกับความทุกข์จึงแยกออกจากกันไม่ได้ ก, ก็อิงอาศัยกันในอย่างนี้คือสาสตร์ใดที่ยังมีกิเลสอยู่ศาสตร์นั้นก็ต้องมีความทุกข์ จับใจความทุกข์ยังมีอยู่ก็แสดงว่ายัางมีกิเลสอยู่แต่วันใดที่กิเลสได้ถูกขจัดออกไปได้ความทุกข์ซึ่งเป็นผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั้นคำสอนในแนวของพวกกิเลสจึงส่งสอนให้หละก็แกเริ่มจากจุดไหนก็ได้มีความสำคัญอะไรคือแกพร้อมที่กระจายตัวเองเออกไปได้ กสการกเกาะยิงกันอยู่บางทีเราก็มองไม่เห็นแต่พร้อมที่จะแสดงตัวออกมานั้นก็เหมือนกับกระบวนการความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บคอามตายที่จริงความเจ็บนั้นก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งคือเป็นความแก่ประการหนึ่งเป็นความเี ย, แ, รรเปยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งและที่จริงมันก็เป็นความตายอีกวิธีหนึ่งคือแตกดับไปในแต่ละขณะ แต่เนื่องจากมันเป็นทุกจรที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งภายในบ้างไปนอกบ้างพระเจ้าจึงทรงจัดไว้ในกลุ่มของทุกจรไม่ใช่กลุ่มของสภาวะทุกข์แต่พวกทุกจรทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความโศกความรับรัยรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องการอะไรแล้วไม่ได้และการไปได้สิ่งที่ไม่อยากได้การต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราชอบพระพรากจากไปเป็นต้นเนี่ย มันก็แฝงอยู่ที่ตัวความเกิดที่ตัวความแก่และที่ตัวความตายนั่นเองเพื่อพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาได้ทุกขณะเพราะเรจึงมองเห็นคนที่ประเกิดมาถึงก็ตายไปจนที่มาในขานก็ตายแล้วก็ตายในระหว่างคือจากการไปส่วนที่ไปจนกว่าจะครอดจะขาดมารดา น, นั้นก็ตายเสียมากต่อมากแจะได้เห็นถึงว่าความตาย ก็แขงเร่นมากับความเกิดความเจ็บเองก็แขวงเร้นมากับความเกิดความทาราก็แข่งเร้นมากับความเกิดแล้วก็พร้อมที่จะแสดงอาการออกมาทุกขณะเพราะกิเลสประเภทโลภโกรลงก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้อาการตัวหนึ่งไม่ปรากฏแต่ที่จริงแล้วแกก็แขวงเร้นอยู่พร้อมที่จะแสดงอาการ ภาพของบุคคลที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินรือดรมยินดียนูนดพอดีไปได้ข่าวการสูญเสียความยินดีนั้นหายปราสนาการไปสิน้นแล้วก็กลายเป็นความโศกร้องห่มร้องไห้กันภาพเหล่านี้ถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตสภาพจิตแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัววัตถุที่กำหนดกำหนดจิต เกิในขณะที่เขาสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อยู่ดันก็เป็นวัตถุอย่างเด็กก่อให้เกิดอารมณ์อีกอย่นึร่รู้จิตก็ไปกําหนดอารมณ์ว่านั้นก็น่าสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีแต่ในขณะที่กําลังเต้นรํากำลังขับร้องกำลังคุยอย่างสนุกสนานหร้อกำลังราทำเพลงอะไรอยู่แล้วก็มีคนมาบอกข่าวเร่ฟังโทรศัพท์ถึงความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น ความสุขที่เคยเกิดเมื่อขณะก่อนนั้นได้ดับไปในขณะก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็แสดงว่าความทุกข์มันก็แขวนเร้นอยู่กับความสุขความเพลิดเพลนินนั่นเองพร้อมที่จะแสดงอาการออกมาในทุกขณะแต่แม้ในกลุ่มของกุศลธรรมเองที่จริงเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นในขณะที่เรามีศรัทธาอยู่ในวัตถุในบุค คนในสิ่งอะไรก็ตามที่ควรแก่การศรัทธาอาการที่ปรากฏแก่จิตเราจริงๆก็คือศรัทธาแต่ว่าศรัทธาไม่ใช่ก้าวเดินไปได้เพิ่เมื่อน้อมน้อมใจเข้าไปหาแล้วก็เป็นอาการของความเพียรมีการลึกรู้ถึงความจริงที่ของวัตถุที่ควรแก่การศรัทธา จนตีใจมีความมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยเป็นต้นนักสาธารชนจะเห็นว่าธรรมะที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จเหล่านั้นก็คือสติสัมปชัญญะและสมาธิคือความมั่นคงทางใจแต่การที่เด่นที่เราเห็นในขณะนั้นก็คือศรัทธาเพรธรรมเหล่านี้จึงอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ อางที่พระุทธเจ้าส่งอุปมาเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่ามันเปรียบเหมือนสหายซึ่งไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วไม่เคยแยกจากกันห้าคนคนหนึ่งเป็นราชกุมารคนหนึ่งเป็นบุตรอมาตะคือสี่คนเป็นบุตรอมาตะคนล่านี้จะไปไหนมาไหนด้วยกันเมื่อไปถึงบ้านเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนอื่นๆก็อยู่ในที่ที่ควรตนควรอยู่การดูแลใจใสาการต้อนรับ ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนอีกคนหนึ่งคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านและสี่คนก็จะทำหน้าที่เป็นแขกหรืออย่างดีก็เป็นผู้ช่วยแต่พอถึงในราชวังแล้วราชกุมารก็จะเป็นใหญ่สามารถจะสั่งการให้เพื่อนฝูงทั้งสี่นั้นเป็นไปตามที่ตัวต้องการได้ ทรงอุปมาศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นว่าเหมือนกระบุดอมัดซึ่งลึกๆแล้วจะ ต, ต้องอยู่ในอำนาจของราชกุมารศรัทธาเองก็ต้องมีปัญญาเข้ากํากับความเพียรเองก็ต้องมีปัญญาเข้าควบคุมกําหนุนทิศทางของการใช้ความเพียรสติเองก็ต้องมีปัญญา ที่เราเรียกว่าระ ล, ลึกรู้สมาธิเองทุกขั้นตอนของสมาธิก็ต้องมีปัญญาอยู่แม้บางครั้งเป็นอาการส ง, งบซึ่งเป็นอาการของสมาธิแต่ปัญญาก็แฝงเร้นอยู่แล้วพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาเพราะงั้นเวลาประพฤติปฏิบัติไปที่ผ่านขั้นระดับของอญาของชานในตอนตอน้ตนๆเราก็ไม่เคยเห็นสมาธิเท่าไร่ไม่เคยเห็นปัญญาเท่าไรเพราะจิตมันส ง, งบ อาการที่เด่นในขณะนั้นก็คืออาการของสมาธิมีปีติความเอื้อิีมใจบังเกิดขึ้นมีการตรึกนึกในทางที่เป็นกุศลมีความสุข ก, กายสุขใจก็มีใจที่สงบแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วพวกวิตกวิจารณ์หรือความตรึกนึกถึงแม้จะเป็นกุศลที่จริงวิตกวิจารก็เป็นอาการของปัญญาอยู่แล้ว ก็ค่อยๆ่ อ, อสงบไปอย่างเหลือแต่ความสุขอย่างเหลือแต่อบอิ่มใจก็ความสุขแล้วก็จิตที่ตั้งมั่นปฏิบัติไปถึงระยะหนึ่งแม้ได้ความอึบอิ่มใจก็จะหายไปอย่างเหลือแต่สุขกับสมาธิแต่พอถึงระดับที่สี่เราจะเห็นว่าแม้ความสุขเองก็หายไปจะเกิดปัญญาขึ้นมากับสมาธิเรียกว่าเอกคตานั้นแสดงว่าปัญญาเขาก็อยู่เข้ามาตลอด เพียงแต่ว่าอาการเขาไม่ชัดเขาอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านั้นทํานองใกล้ๆกับเป็นพี่เลี้ยงเวที่ปรึกษาแล้วพอถึงเวลาก็แสดงตัวออกมาเพราะฉนั้นธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าจะในกลุ่มของการกําหนดรู้ทุกข์หรือกลุ่มของการกําหนดลากิเลสหรือกลุ่มของการประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ตามที่จริงแล้วเขาก็มีการอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ปนญาว่าในกระแสของกุศลกุศลได้เกิดขึ้นสืบเนื่องหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นสืบเนื่องกุศลเขาก็จะเพิ่มูนขึ้นแต่ถ้าเกิดตัดรอนไปเสียในตอนใดตอนหนึ่งกุศลก็จะเสือ่อมอกุศลก็จะขาแทรกตัวอย่างที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ก็เหมือนกระแสน้ําที่ไหลมา ไหลผ่านกระแสลำธารที่ไหลเข้ามาสมทบนั้นเป็นน้ําใสเหมือนกันมันก็ไหลหนุนกันเพิ่มปริมาณน้ําใสขึ้นไปแต่พอดีไปเจอลาําธารอีกลําธารหนึ่งมีน้ําขุนมากไหลลงมาข้ามมาถึงก็ตัดแล้วก็มองเห็นการต่อสู้กันในขณะนั้นในช่วงตรงนั้นในปากน้ําที่บรรจบกันน้ําขุนก็ไหลามาอย่างแรง น้ำใสก็ไหลไปอย่างแรงเหมือนกันปัญหาว่าน้ำไหนที่มีปริมาณมากกว่าแต่ที่แน่นอนว่าน้ำใสที่เคยใสยนั้นไม่ใสเหมือนเดิมแล้วเพราะมีน้ำขุนเข้าไปเจื อ, อยู่แต่ว่าจริงแล้วน้ำขุ่นเองแกก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าถูกน้ำใสเข้าไปแทรกอยู่น้ำตรงนั้นจึงไม่ขุ่นเหมือนเดิมและไม่ใสเหมือนเดิมมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งสองด้านทังจิตใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้น คืเวลาใจไปไหลไปสู่กระแสของกุศลถ้าไหลไปได้เรื่อยๆมันก็ดูดกุศลโลอื่นเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ตรงใดตรงหนึ่งจะอาจจะเกิดความโศกก็ได้หรืออาจจะเกิดความทุกข์ก็ได้ อ, อาจจะเกิดกิเลสขึ้นมาก็ได้เพราะแต่ละอย่างนั้นจะเรียกหากิเลสคือความทุกข์เองก็เรียกหากิเลสเช่นสมมุติว่ารู้สึกอึดอัดขัดข้องไปโดยประการต่างๆก็ทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจ ความหงุดหงิดความงุ่นง่านความโกรธความชุนเฉียวหรือการตกเป็นทาสของอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาโดย ด, ำดำั่งดตอนนองใกล้ๆ ค, คนป่วยซึ่งมือเท้าก็บังคับกันไม่ค่อยได้หรือเป็นอมภารเป็นอมพลุน่นนี่มันเป็นการสะสมความหงุดหงิดคือจิตที่บังคับไม่ได้จริงมันเป็นทุกขสกระสัมาก่อนคือร่างกายมันเกิดเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมัน ใจก็พยายามให้เป็นอย่างที่เคยเป็นเมื่อเป็นไม่ได้มันก็สะสมความไม่พอใจไว้มีการเก็บกดความคิดเหล่านี้เอาไว้เพรา ะ, ะนนคนป่วยจึงมักมีอารมณ์รุนแรงแต่ว่าไม่รู้เท่าทันทั้งความเป็นจริงแต่ถ้าบุคคลที่พยาบาลคนป่วยหรือเกี่ยวข้องคนป่วยรู้เขาก็คือคนป่วยที่ไม่อาจควบคุมจิตใจตัวเองได้เราก็ให้อภัยเราก็อดทนเราก็ไม่ต้องป่วยตามเขาไปด้วยคือปล่อยเขาป่วยคนเดียว แต่บางครั้งคนพยาบาลก็ป่วยคนป่วยก็ป่วยเลยก็หมุนกิจกันใหญ่คนพยาบาลนั้นคนป่วยนั้นก็ป่วยทั้งกายทั้งใจคนพยาบาลกายไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าใจมันก็ป่วยไปด้วยเราลงกลายเป็นคนป่วยพยาบาลคนป่ยวยเราก็ช่วยอะไรกันไม่ได้ลักษณะคล้ายๆกับเตี้ยอุ้งคอมบาการแก้ปัญหาในช่วงนี้จึงไม่ได้แก้ปัญหาให้ตัวเองเหมือนกับเขา แต่พยายามไม่ให้เหมือนกับเขาก็าะจะอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเขาได้มันก็ป่วยตั้งกายตั้งใจเราก็พยายามที่จะให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจดีเพื่อจะสามารถช่วยเหลือแก่เขาได้อาการเหล่านี้ที่จริงคืออาการของธรรมะที่เป็นรูปธปรรม ท, ทำนองกระแสน้ําที่ไหลหนุนกันแล้วก็ไหลตัดกันเป็นรูปของน้ําที่เรามองยืนที่ริมฝั่งและเราจะเห็นได้ แล้วพอมาดูที่จิตเราก็จะเห็นจิตของเราอย่างนั้นเช่นว่าจิตกำลังเดินไปสู่กระแสของที่ถูกปาฐาโดยกามูปาฐานก็จะถือด้วยอนนาจของความใคร่หรือจะถือด้วยอำนาจของทิฐิเป็ลนลักษณะของน้าคุลที่ไหลามาทีนี้ถ้าแกไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่กระตุ้นให้เกิดความกบหนัดมากเช่นว่าตอนเช้าก็ดื่มเหล้าตอนเย็นก็ข้าวปลาข้าคลับไปเรื่อย สภาพแวดล้อมนั้นกระตุ้นเพิ่มเชื้อของกิเลสขึ้นภายในใจเลยมันก็กลายเป็นนักเลงขึ้นมาในด้านต่างๆที่พระเจ้าทรงชช้กับว่านักเลงนักเลงการพรนันนักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการประนันนักไอ้ควบคุณชั่วเป็นเม็ดเกลียดคลานทําการงานเที่ยวกลางคืนก็ถือเป็นนักเลงก็ทําซ้ำๆแสดงถึงการเพิ่มของกระแสกิเลสทีนี้คนพวกนั้นเอง กอได้เปรียบเงอนน้ำเขาก็ไหลเข้าไปไปเจอกับคนที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตที่มีเหตุมีผลค่อยๆกัดซ่อความคิดของเขาไปเรื่อยๆก็ททำนองค้ายๆน้ำใสไหลเข้ามาชาล้างสิ่งสกปรกไปเรื่อยๆไอความขุ่นค้คนที่เคยมีมันก็จางลงไปทีนี้จางได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับ น, น้ำใสที่ก็ไหลมาในมากหรือน้อย เพราะเราจึงเห็นคนที่เป็นนักเลงหญิงเลิกเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเลิกเป็นนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเลิกเป็นนักเลงนการพนันนักเลงที่ยูกลางคืนก็เลิกที่ยูกลางคืนเป็นตัวนักเลงหัวไม้ก็เลิกเป็นนักเลงหัวไม้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ลดความรุนแรงลงไปแต่คนที่กลับตัวได้ไปเลยและกลายเป็นคนยกย่องสนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลทั้งหลาย เรานำพระองค์คๅมารเทระมายกย่องเป็นตลอกถึงพวกโจรปล้นพวกฆาตกรทั้งหลายในอดีตที่ต่อมาก็ได้ฟังธรรมะได้ศึกษาธรรม ะ, ไ ด, รรมะได้คิดค้นธรรมะแล้วก็มาอยู่ในกระแสของกุศลก็กลายเป็นคนดีที่สังคมให้การยกย่องนับถือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวบุคคลที่เคลื่อนไหวยอยู่เรื่องการของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้น และตัวของกระแสน้มที่ยกตัวอย่างมาแล้วทุกอย่างเป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นคือน้อมนึกเข้ามาคิดเข้ามาพินิจพิ จ, จารณามองเห็นโทษที่ประจักษ์กจะแจ้งแก่ใจในขณะ น, นั้นๆด้งนใ้กล่าวมาแล้วก็แกลงแกว่งไปด้วยๆแม้การมูปะทานเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน คือกายึดถือมั่นโดยหน้าของความใคร่ถ้าเธอได้เพิ่มขึ้นเธอก็ดินดีเรื่อยๆไปแล้วถ้าหากว่ามีคนส่งเสริมสนับสนุนคือมาให้อะไรก็มากๆเขาก็จนจบยิาดีไปเลยก็บางครั้งอาจจะได้มาในทางผิดเพราะในขณะที่โลภของที่ได้มามันก็ถูกบ้างผิดบ้าง ขณนั้นข้าวไอาชักผิดมันก็ได้เพิ่มขึ้นก็ชอบใจในสิ่งที่ผิดในสุดก็ไม่ติดใจในสิ่งที่ตัวได้มาหรือวิธีการที่ได้มาก็มุ่งไปที่สิ่งที่ตัวเองจะได้มันก็กลายเป็นความเปลี่ยนแก่ตัวอย่างที่ทงแสดงว่าโลโพธรรมนังปริปันโทโลความโลภนั้นเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายในขณะที่ครอบครองก็จะมีความเร่าร้อนมีความหวงแหนมีความสดิในขณะที่สิ่งต่งนั้นเสื่อมไปก็จะเกิดความโศกแล้วใครก็มายื้อแย้ง ใครก็มาชี้โทษของการได้ถึงสิ่งสิ่งต่างๆในทางที่พระเจ้าทำก็โกรธก็จิตก็แข่งไปโลกโล ก, โกรธงเหมือนเดิมแต่ว่าจุดเริ่มจะเห็นว่าเป็นเริ่มด้วยทิศด้วยกามรมุปาทานพอเริ่มในที่ถูกปาทานออก็แข่งไปในแนวแนวเดียวกันลักษณะของศิลป์พรตุปาทานคือการถือมัน่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่คุ้นเคย มันเป็นอาการของโมฆะที่ไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ที่จริงๆพระพุทธเจ้ามักสอนในแนวของโยนิโสมณติกาคือไม่จะไปทุบทําลายสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเป็นทรัพย์สินของเขาแต่เป็นการสอนในลักษณะยกจิตของคนนั้นให้หนีจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นสิ่งนั้น ที่เขาเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแสดงได้ว่าสอนให้บุคคลยกจิตตัวเองนีจากสิ่งเหล่านั้นก็ทำนองกับพวกอบายมุกทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รื้อบ่อนการปัดนานหรือสถานที่ที่ผิดกฎหมายต่างๆเราเป็นทรัพย์สินของเขาไปยุ่งเขาไม่ได้เราคืนทมเราก็ผิดศีลขอ้อทีนาทานพระพุทธเจ้าสอนที่จิตคน ให้จิตคนนั้นมองเห็นโทษของสถานที่เหล่านั้นแล้วก็ถอยมาเองสถานที่เหล่านั้นก็ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นในที่สุดก็จะเสื่อมทำลายไปตามธรรมดาของสังขารทารั้งหลายโดยเราไม่จะเป็นจะต้องไปละเมิดศีลข้อทินฐาิฐานเพราะลักษณะของศีลรประทุปทานมันก็มีอยู่ตั้งแต่โบราณกิดมาความว่าไปปักใจเชื่ อ, อสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นมีความถูกต้องจะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นไปทําอย่างอื่นไม่ได้ ถ้าสำหรับความคิดเหล่านี้เป็นสังเกตว่าตัวเองเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นดีงามแล้วคล้ายๆก็เข้าใจว่าทิฏฐินั้นเป็นความถูกต้องแล้วก็เหมือนกับเข้าใจว่าวัตถุกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งเที่ยงแท้เที่ยงแท้แน่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนยังย่งยืนไม่แปรผันว่าเกิดการปักใจแล้วก็ยึดติดเหมือนกันเพราะอัสิ่งที่ตนเชื่อถือถ้าคนอื่นเชื่อถือร่วมกับตน ก็จะรู้สึกรักใคร่ผูกพันกับบุคคลเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะหานแนวคนที่เชื่อเหมือนตนปฏิบัติเหมือนตนเข้ามาเป็นพวกเดียวกับตนอย่างได้มากก็จะเกิดความชื่นชมยินดีมากทีนี้ถ้าหากว่าใครไปเกิดชี้แจงคัดค้านก็จะเกิดความโกรธไม่พอใจซึงบางครั้งมันก็อาจจะทําลายล้างควรเหล่านั้นทํานอง บุคคลที่เปินลิษยาคนดีทั้งหลายคือแทนที่ตัวเองจะทําดีแข่งกับเขาทําด้วยทําดีเหมือนเขาเพื่อเราจะได้เป็นคนดีด้วยแต่ก็ไม่อยากทำกับวิธีที่ง่ายก็คือการฆ่าคนดีเสียในสังคมมนุษย์เราจึงพบข่าวคราวของคนชั่วที่ฆ่าคนดีผิตชยาในความดีของคนดีหรือว่ากลั ว, วคนดีจะเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองออกมาเหตุการณ์เหล่านี้มันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ลรรักษณะของศีรประตุปลาทานเนี่ยเป็นการติดยึดติดในรูปของโมขะที่ชัดแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลอะไรอย่างคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แม่น้ำผูกกาพวกพวกพร่ากํบบาลังอาบน้ำกันอยู่เป็นนั้นมากจริงก็ธรรมดาของคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าเสด็จไป ก็สอบถามว่าอาบน้ําในแม่น้ำผูกกากระทำอะไรเขาบอกว่าถ้าอาบแล้วมันก็ล้างบาปได้ล้างบาปแล้วเป็นอะไรเขาบอกไม่มีบาปไม่มีบาปแล้วเป็นอะไราตายไปแล้วมันเกิดในสุกติหรือบังเกิดเป็นเทพอูดเดทพธิดาก็รับสั่งย้อนกลับไปที่น้ำอีกทีหนึ่งแล้ดึงตัวเองมาจากน้ํานานแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็กลับไปที่น้ำอีกทีหนึ่งว่าน้ํำนี่มีความเป็นสากลขนาดไหน มายความว่าใครไปอาบน้ำในแม่น้ำผูกการแล้วจะสามารถล้างบาปได้และบริสุทธิ์หมดจดจากบาปและตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติเสมอเหมือนกันหรือไม่ซึ่งเขาก็ต้องยอมรับว่าเสมอเหมือนกันเมื่อเสมอเหมือนกันก็กลับไปที่น้าอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนั้น่ในน้ำนัน้นมีอะไรในน้ำมีปลามีปูมีเต่ามีคอยมีสารพัดพวกสัตว์นัำ แต่เนั้นเกิดในน้ําจะเริ่เดเติบโตในน้ําแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ําตายอยู่ในน้ําไม่เคยเจอบาปข้างนอกก็แสดงบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นสิเมื่ออาบน้ำได้มาน้ําบูการแล้วก็มีความบริสุทธิ์ก็แสดงว่าเวลาตายพวกโอพวกสัตว์เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดามากกวา่าใช่ไหมไอันนี้คือเรามองกลับไปทีพวกนี้ก็จนด้วยแต้ง คือเขาไปไม่ได้มองให้มันเกิดความละเอียดขาดหลักของโยนิโสมนสิกาหรือการใช้ปัญญาพินิจพิจนารณาโดยอุบายแยบขายในหมู่ชาวพุทธเราเองก็มีความเชื่อในลักษณะศีลปธรรมาตเดี๋ยวนี้เป็นอันมากเป็นความเชื่อที่ไม่ยุติ ด, ด้วยเหตุผลและความดียตัว อ, อย่างเช่นไปบนบานสารกล่าวขอหลวงพ่อบอกหวยให้ ตีต่างว่าหลวงพ่อเกิดบอกได้เนี่ยหลวงพ่อเป็นคนแก่การเคารพนับถือหรือไม่เนี่ยคือเราจะต้องคิดดูอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเราบอกหวยแก่คนหนึ่งสมมุติเราบอกได้จริงเนี่ยก็เป็นการทำลายอีกคนหนึ่งในทางที่ไม่เป็นธรรมคนอีกคนหนึ่งก็ก็สูญเสียผลประโยชน์ เป็นการปฏิบัติที่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนเป็นการสมควรแก่การกระทําหรือไม่เราจะเห็นว่าเราไม่ได้คำหนึงถึงสถานะของหลวงพ่อแต่คำหนึงถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้อันเป็นอาการของโมหะที่บิดบีงเหตุผลและสติปัญญาของบุคคลไปแล้วถ้าเรามองกลับไปที่หลวงพ่ออีกทีหนึ่งก็จะมีปัญหาทันทีเพราะถ้าหลวงพ่อบอกอย่างนั้นได้จริง ทำไมท่านไม่บอกให้ญาติพี่น้องของท่านบอกลูกหลานของท่านหรือบอกให้เด็กวัดไปซื้อหามาเพื่อพัฒนาวัดของท่านโดยไม่ต้องไปได้ไรบอกคุณก็ญาติจบความคิดที่มีเหตุมีผลนี่ก็จะติดตามมาได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าลักษณะของความคิดที่เป็นอุปาทานนั้นมันยึดติดทีแล้วจะมีความสำคัญมั่นหมายเอาอย่างนั้นแลวตัดสินจากตรงนั้นจะไม่มอง ในแง่มุมต่างๆแล้วตัดสินนอกจากภาพที่ปรากฏวันนี้เพิ่งสังเกตความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดมงคลที่คนบางพวกถือว่าสิ่งที่ตัวเห็นเป็นมงคลนั้นคือมองเฉพาะมุมเดียวมุมที่ตัวเห็นแล้วสบายใจแต่เมื่ออตาเป็นมาตรฐานในการตัดสินมงคลตาเราก็เห็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี วันต้งสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลไอ้ส่วนไม่ดีก็ต้องเป็นมงคลด้วยแล้วก็ผิดหลักทันทีเพราะสิ่งไม่ดีไม่ได้เป็นมงคลเรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาภูเขาเป็นลักษณะของโมฆะที่ดึงจิตของบุคคลให้แหว่งออกจากกระแสของกุศลธรรมวันตั้งสาธุรชนก็จะพบหลักสําคัญในพนุทธศาสนาหลักหนึ่งก็คือหลักของพระสุตปัน พระโสดา บ, บันที่ท่านเรียกว่าถึงกระแสของพระนิพพานนั้นเพราะท่านละความเห็นประเภทนี้ออกไปได้ประเภทที่เรียกว่าศีละพัตุปาทานออกไปได้แต่ในที่โน้นท่านเรียกว่าศีละพัตุศีละพัตะปรมะมาทเพราะมันเรียกเป็นเรียกสังฆชนแต่วันในที่นี้ก็คือศีละพัตุปาทานนั่นเองคือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัตรดข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดี และพร้อมที่จะแกว่งเป็นความโลภพร้อมที่จะแกว่งเป็นความโกโรธเมื่อมีคนมาท้วงติงตัวเองแต่อจนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป